บัณนีตจกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปพระพุทธดำรัสที่สัตว์ให้ท่านโมขราชมีสติสัมภาัญญะมองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างและถอนอตานุทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนออกไป แลผลจากการถอนนั้นก็จะไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความตายอีกต่อไปประยุติความเกิดในสังสารวัตเป็นพระพุทธดํารัสที่สำนวนบาลีท่นานใช้คำว่าสแสดงธรรมมีพระอรหันต์เป็นยอดคือมุ่งสูจส่จุด ส, สูงสุดในการประพฤติปฏิบัติตามพื้นฐานบารมีของผู้ถามปัญหาในกรณีนั้ น, น, น ในคําว่าโลกมีนิยัดดังที่ได้กล่าวมแล้วว่าสิ่งใดก็ตามที่มีความแตกสลายไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็เรียกว่าโลกแม้จะมีการจําแนกแสดงโลกออกไปเป็นประเภทต่างๆเช่นว่าสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินตลอดซึ่งแบ่งในระดับของภพภูมิ เป็นมนุษย์โลกเป็นเทวโลกเป็นต้นแต่เรถึงพรหมโลกเป็นต้นนั้นเป็นการจําแนกแสดงเพื่อให้บุคคลเรียนรู้หาความเข้าใจในฐานะนั้นๆการแสดงในรูปของมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกจะเน้นไปในด้านของการบําเพ็ญบุญกุศลระดับที่เรียกว่าวัตถ伽มีกุศล คือกุศลที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้สูงขึ้นระดับที่หมุนวนอยู่ในสังสารวัฏเช่นว่าการได้อุบัติบังเกิดมาเป็นมนุษย์จะต้องประพฤติปฏิบัติคุณธรรมอะไรบ้างแล้วก็ทรงสอนแสดงธรรมะระดับที่จะอุบัติเป็นมนุษย์คนที่จะเป็นเทวดาในปัจจุบันและในสัมปราจพบภายภาคหน้าจะต้องประกอบด้วยคุณธรรมอะไร ก็ทรงแสดงธรรมะในชั้นนั้นนันคนที่วัดบังเกิดในพรหมโลกในชั้นต่างๆซึ่งเป็นผลของการบำเพ็ญเพียรทางจิต ร, ระดับสมถกรรมฐานความประณีตแห่งฌานเป็นตัวจำแนกแบ่งแยกพบให้บุคคลแตกต่างกันกระส่งจำแนกแสดงเพื่อบุคคลที่ยังไม่สามารถจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏได้แต่ก็ทำให้ไกลต่อความทุกข์ คือลดความทุกข์ลงไปโดยลำดับเพิ่มความสุขให้สูงขึ้นแต่อีกในย่านหนึ่งนั้นเป็นการแสดงในลักษณะ ร, มรวมๆเกยเห็นสังขารทั้งหลายก็เป็นโลกแต่ละอย่างเป็นโลกเราจะมีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองก็ตามเป็นภูเขาเป็นต้นไม้เป็นคนเป็นสัตว์นั้นจะตกอยู่ในสภาพคติธรรมดาคือจะต้องแตกดับไปในที่สุด มันเกิดขึ้นมาเท่าไหร่ก็แตกดับไปเท่านั้นแต่จะแตกดับเมื่อไรอย่างไรนั้นก็เป็นรายละเอียดเฉพาะกรณีของคนของสัตว์เท่านั้นเราขึ้นอยู่กับเงื่อนไขละเอียดปัจจัยทั้งภายในและภายนอกแต่ที่เป็นสัจธรรมจริงๆก็คือต้องแตกดับไปเป็นธรรมดาในกรณีของสัตว์บนโลกนั้นจะทรงแสดงได้ทั้งสองแนวคือแนวในส่วนที่ มุ่งพัฒนาจิตใจของบุคคลให้มีความประนีตขึ้นเพื่อให้มีพบมีชาติประนีตขึ้นในช่วงยาวและพบคือใจในขณะนั้นๆมีความประนีตขึ้นในช่วงแต่ละขณะหรือในช่วงสั้นๆแต่ในขณะเดียวกันก็ให้มองดูสัตว์โลกในแง่ของศีลธรรมจรญยาคือมองเราแล้วก็มองเขาจนเกิดความเข้าใจตามความจริงในเราและเขา เพื่อจะ ง, งดเว้นการกระทําในลักษณะประทุษร้ายทั้งเราและเขาจนถึงสามารถกระทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่เราและเขาโดยลําดับเพราะทั้งเราทั้งเขาที่มีการสมมุติบัญญัติกันนั้นแท้จริงแล้วก็ต้องแตกดับมาด้วยกันเป็นผู้ที่มาอาศัยอยู่ในโลกเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเพื่อป้องกันคนมาให้กระทําบาป ฐานะของผู้อาศัยโลกจนถึงกับไปไม่ไปเบียดเบียนประทุษรายโลกแต่ในขณะเดียวกันก็เอาเราเอาเขานั่นเองมาสอนในชั้นต่างๆเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำนัดมีการสํารวมมีการระมัดระวังมีการบรรเทามีการลดมีการละสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นความยึดความถือในแง่มุมต่างๆก็ขึ้นอยู่กับว่า ผู้ฟังในขณะนั้ น, น, นมีพื้นฐานจะรับรู้ได้ในดับใดเลวกาศสโลกคือโลกคือพื้นดินเองก็ทรงจาแนกแสดงโดยนัยะต่างๆแสดงในแนวรวมๆก็มีแสดงในแนวจา แ, แนก แ, แยกย่อยออกไปก็มีแต่ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ตัวเราเองอย่างที่ทรงแสดงว่าดุกรภิกษุทางหลายตถาคตแสดงความเกิดขึ้นของโลกความดับของโลก โลกความเกิดขึ้นของโลกความดับของโลกแล้วก็ปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับแห่งโลกที่สกลกายของเรานี่เองดันั้นจึงมีการเรียกอายตนะโลกมีการเรียกขันธโลกมีการเรียกธาตุาโลกเป็นต้นเพื่อเห็นว่าขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดความถือของบุคคลทั้งหลายนั้นแต่อย่าง ก, ก็เป็นโลกซึ่งจะต้องแตกดับไปเป็นธรรมดาของสิ่งเหล่านั้น เพืบุคคลที่ไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ในขันทั้งหลายอย่างน้อยในชั้นหนึ่งก็คือให้เตรียมใจยอมรับความจริงว่าขันนี้จะต้องแตกดับจะต้องแปรปรวนจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาไม่มีขันอะไรที่จะดํารงคงอยู่ตลอดไปถึงว่ากันตามความเป็นจริงแล้วถ้าคงอยู่ตลอดไปเราก็ไม่ชอบเหมือนกันจะมาเกิดมา พอคลอดมาจากคันมารดาตัวก็ยังเป็นเด็กแล้วเป็นเด็กตลอดไปก็ไม่มีใครชอบเหมือนกันนะโลกก็คงจะอยู่ไม่ได้ปรากฏของความเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมไม่มีใครสามารถที่จะไปแก้ไขไม่ให้มีความเปลี่ยนแปลงได้แต่ทั้งๆที่รู้ถึงความจริงส่วนนี้โลกคือคันท่ายังกลายเป็นที่ตั้งแห่งความยึดความถือความเป็นเราเป็นเขา เป็นที่ตั้งแห่งมานะความถือตัวถือตนแบ่งพักแบ่งพวกจะตลอดถึงปราดประหารกันเป็นที่ตั้งแห่งเวรภัยและความทุกข์นานาประการที่ทรงแสดงสรุปไว้ในตอนสุดท้ายแห่งทุกขาริยสัตว์ที่ว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้านั้นเป็นความทุกข์พ้นโลกก็คือเรื่องของความทุกข์ที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไป ปัญหาการพยายามถ่ายถอนคือให้มองในแง่ของความเป็นของว่างนั้นแต่จะต้องปัญหาถามว่าว่างจากอะไรเมื่อมองโดยสรุปในแง่ของวิปัสสนากรรมฐานคือความเห็นที่แจ่มแจ้งชัดเจนจริงๆเราจะเห็นว่าว่างจากความเป็นเราแล้วบ้างจากความเป็นของเราคือเกี่ยวเนื่องด้วยเราจานวนบาลีสงใช้คำสองคาว่าอัตตากละอัตตนิยา อัตาก็คือความเป็นตนความคิดในความเป็นตนของคนในโลกนั้นมีอยู่หลายระดับด้วยกันเช่นว่าในระดับที่ว่ามีตัวตนจึงเทียงแท้แน่นอนภาวร อ, อยู่ในสวงสวรรค์บางศาสนาก็เรียกว่าพรหมมันเรียกว่าพระพรหมเรียกว่าโยวาเรียกว่าอันเลาะหรือเรียกว่าอะไรต่างๆและสรรพสิ่งก็เป็นส่วนย่อยมาจากอัตตาใหญ่ตัวนั้น แล้มาออบัตดบังเกิดในโลกนี้หมุนวนกันอยู่ในโลกนี้ระยะหนึ่งบางสายก็บอกว่าขาดศูนย์ไปบางสายก็บอกว่าจะหมุนกลับเข้าไปอยู่ในที่เดิมคือสรุปประมาจจากที่ไหนก็ไปสู่ที่นั่นแล้จะอยู่ในที่นั่นตลอดการลนานพระเนเตรแห่งความยึดถือเหล่านี้ก็กรอให้เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าสักกายทิชชีคือความเห็นว่าเป็นตนและก็เกี่ยวเนื่องด้วยตน ในส่วนหยาบๆที่มองเห็นได้ชัดๆก็คือว่าในความเป็นเราญาติพี่น้องของเราพักพวกของเราเพื่อนผู้ของเราเป็นต้นนั้นในแง่สมมติท่านก็สอนระดับสมมติแต่ถ้าในแง่ของปรมัติษฐ์คือความจริงที่แท้จริงซึ่งบุคคลจะต้องเตรียมใจยอมรับไว้ในชั้นหนึ่งในระดับหนึ่งอย่างน้อยที่สุดที่สุดก็เรียกว่าครึ่งต่อครึ่ง มองในแง่สมมติอยู่ชั้นหนึ่งมองในแง่ของประมัดคือความจริงที่แท้จริงชั้นหนึ่งและบุคคลก็จะตั้งหลักตัวเองได้ทำนองเดียวกับคนเดินข้ามสะพานเกิดจะคิดว่าเราเดินไปถึงอีกฟากหนึ่งก็ได้และอาจจะตกก็ได้แต่คิดไว้ทั้งสองทางเช่นนั้นความระมัดระวังในการเดินทางก็จะเพิ่มขึ้น แต่ถ้าคิดเป็นในแง่ใดแง่หนึ่งโดยเฉพาะเช่นคิดกลัวจะตกมันก็เกิดความเกรงความเครียดจนบางครั้งก็ขาสัน่นไม่กล้าเดินไปไหนแต่ถ้าคิดว่าเราจะไปได้ตามไปถึงฝั่งโน้นได้ตามที่เราต้องการก็ขอให้เกิดความประมาทผมเอาคิดมาแต่ถ้ามีการเตรียมใจก็จะขอให้เกิดการระมัดระวังการสํารวมมีสติสัมปชัญญะควบคุมไมรยาบทที่9เดินไปเป็นต้น มองหน้ามองหลังจะเยียบจะย่างอะไ ร, ะะไรแต่ไรภาพเหล่านี้ถ้าเห็นได้ชัดก็คือเดินไม้กลมๆท่อนเดียวที่ข้ามคลองจะมีภาพที่ชัดเจนขึ้นมาแต่ชีวิตของเราที่จริงก็มีลักษณะอย่างนั้นคือมีความเสี่ยงอยู่ในตัวของมันเองเราเสี่ยงอยู่ทุกขณะลงหายใจเข้าหายใจออกก็เสี่ยงกับระหว่างความเป็นกับความตายแต่ที่จริงก็อยู่ห้าสิบห้าสิบระหว่างความเป็นกับความตาย อาจจะตายก็ได้อาจจะอยู่ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าหายใจข้าวแล้วออกมาอีกได้ไหมออกไปแล้วข้าวไปได้อีกได้ไหมถ้ายังเป็นเช่นนี้อยู่เราก็มีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าเกิดข้าวแล้วไม่ออกออกแล้วไม่ข้าวชีวิตเราก็ต้องตายไปดันการมองในแง่นี้ก็จะทำให้เกิดความไม่ประมาทมีความระมัดระวังมีความสำรวมเกิดขึ้นแม้จะไม่คับถึงจุดสูงสุดที่ทรงแสดงเอาไว้ แต่ก็จะมีหลักในการดำรงชีวิตที่เรียกว่ามีปัญญาบริหารตนเองอมีปัญญารักษาตนคุ้มครองตนเองได้แต่เราขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิษพิจนาบุคคลก็มองโลกในแง่ของความยึดความถือดนแง่เดียวก็มีความรู้สึกว่าเป็นของเรารือเกี่ยวเนื่องด้วยตัวเรา เมื่อมีเราเกี่ยวเนื่องด้วยตัวเราก็มีเขาก็เกี่ยวเนื่องด้วยเขาในส่วนใดที่กำหนดว่าเราก็เกี่ยวเนื่องด้วยเราก็เป็นที่ตั้งแห่งความรักการไขว้คว้าปรารถนาที่จะได้มาที่จะครอบครองที่จะเชยชมที่จะให้สิ่งเหล่านั้นอยู่กับเราตลอดไปแต่พอสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเป็นเราหรือเกี่ยวเนื่องด้วยเรามีความเปลี่ยนแปลงแป ร, แ ป, รปรวนไปในทางที่ดี ก็จะชื่นชมเฉลิมฉลองกันแต่พอเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีก็จะก่อให้เกิดความทุกข์ความโศกรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าสภาพจิตของบุคคลและสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียใจว่ามีอิทธิพลต่อใจของบุคคลมากน้อยแค่ไหนเพียงไรแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ประเภทที่เรียกว่าทุกข์ซึ่งจรเข้ามาดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้จิตใจของบุคคลก็ ฟูขึ้นแล้วฟุบลงอย่างที่ทรงใช้คำว่าอาภิชาเลโธมนัตเระกอบให้เกิดความอยากความใคร่ความปรารถนาที่ต่อเนื่องกันไปพอมาพลิกออกอีกฝ่ายหนึ่งก็เกิดเป็นโทมนัตคือความขับแค้นความขัดเคืองตลอดถึงรุนแรงออกไปเป็นความมาคาดพยาบาทเป็นต้นเรียกว่าอยู่ด้วยความรักและความชังจิตใจก็เวียงไปเวียงมาอย่างนี้ ทีนี้ในเรื่องของคนอื่นคือเขาและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยเขาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าบางครั้งความรู้สึกรุนแรงก็อยากได้ของเขามาเป็นของเราหรืออยากได้เขามาเป็นพวกเราในกรณีนี้ถ้าได้ก็จะเกิดความชื่นชมยินดีเพลิดเพลินแล้วก็อยากได้ต่อไปแต่ถ้าไม่ได้ วความคิดรุนแรงก็เมื่อเราไม่ได้คนอื่นต้องไม่ได้จึงมีการทำลายล้างกันในลักษณะต่างๆเป็นพฤติกรรมรุนแรงเป็นพวกอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆที่ปรากฏอยู่ในโลกถึงแต่เราเร า, เรามองย้อนกลับไปที่พื้นจิตเป็นเอเสคิดและกระทำเช่นนั้นก็คือความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาที่จัดนั่นเองแล้วก็ตุ้นตัวกิเลสออกมา ส่วนมากแล้วก็จะเป็นโลภกะกโทสะที่ออกมาในลักษณะนั้นแต่ในกรณีที่เป็นเขาชัดเจนความรู้สึกในทางไม่ปรารถนาก็เกิดขึ้นหรือต้องการจะแข่งดีกันหรือต้องการที่จะทำลายล้างต้องการที่จะแยกจนถึงให้สิ่งเหล่านั้นพินาศไปเป็นต้นนี่ก็คือความรุนแรงในด้านจิตใจดังนั้นถ้าหากว่ามองให เข้าถึงความจริงที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นจิตใจของบุคคลก็จะ ผ, ผ่อนคลายความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นเขาลงไปพอถึงจุดหนึ่งมันก็จะมีความเคารพในทั้งเราทั้งเขาคือไม่ไม่มีการละเมิดในตัวเราและก็ตัวเขาก็กลายเป็นการปฏิบัติในดับศีลศีลนั้นจะเบียดเบียนทั้งเราทั้งเขาการละเมิดศีลนั้นจะเบียดเบียนทั้งเราทั้งเขาเมื่อเรา ยอมรับสถานะทั้งเราทั้งเขาแต่ก็งดเว้นไม่เบียดเบียนทั้งเราทั้งเขาก็กลายไปเป็นศีลเมื่อมีความเข้าใจในแนวนี้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นจิตใจของเราก็จะสงบจากความเป็นเราเป็นเขาลงไปลักษณะของความสงบจากความเป็นเรานั้นจะเห็นว่าพวกามฉันคือความคลายความปรารถนา ก็จะสงบในส่ว น, วนที่เกี่ยวเนื่องด้วยเราและต่อมาก็สิ่งที่เป็นเราส่วนพยาบาทก็จะเป็นการสงบความเป็นเขาลงไปจิตใจก็เข้าถึงสมาธิในชั้นนั้นๆส่วนจะลึกซึ้งขนาดไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งประการต่อไปเมื่อบุคคลมองให้ซึ้งลงไปอีกชั้นหนึ่ง ก็จะมองเห็นว่าที่จริงแล้วพวกขันทั้งห้าอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ในลักษณะชีจิบไม่มีตัวตนที่แท้จริงซึ่งอาจจะมองในแนวไหนก็ได้เพราะวิธีแสดงของพระพุทธเจ้านั้นทรงสอนให้มองหลายหลาแนวเพราะแนวหนึ่งเราอาจจะไม่เข้าใจพระพื้นฐานทางจิตเราไม่มากพอก็มองอีกแนวหนึ่งแต่ถ้าแนวนั้นไม่เข้าใจอีกก็ไปมองอีกแนวหนึ่งคือมองอีกด้านหนึ่งนั่นเอง ของสิ่งนั้นนคล้ายๆกับเราจะมองของให้ชัดเจนเราก็ต้องมองพลิกไปพลิกมาดูแล้วดูอีกดูร่างดูบนดูข้างดูมุมดูดูแง่ต่างๆเพื่อมองเห็นทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีของสิ่งนั้นและจะสามารถสรุปได้ในโอกาสต่อไปการมองนา ม, มารูปมองขันห้าก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเนื่องจากขันห้าแกมีช่วงยาวๆโดยเฉพาะพวกรูปประขันนั้นมีช่วงยาวๆวันนี้ก็มองไม่เห็น ท่านจึงสอนในแง่ของความไม่เที่ยงให้ดูเสียก่อนพอมองศูนนั้นมองยากมองว่างมองยากก็มองในแง่ของความไม่เที่ยงความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวขันห้าอันเป็นตีตั้งแห่งความยึดถือซึ่งอาจจะไม่มองที่ตัวเองก็ได้อันมองที่อาหารที่งรับประทานเข้าไปก็เป็นรู ป, ปรขันอย่างหนึ่งประกอบด้วยน้ําลงไฟอากาศเหมือนกันก็เห็นว่าอาหารเหล่านั้นที่รับประทานเข้าไป ก็คอยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดจากขิวเป็นอิ่มและในที่สุดตัวมันเองก็เริ่มเปลี่ยนแปลงจะทํ า, าให้อิ่มนั้นกลายเป็นขิวไปโดยลําดับที่อาจจะมองในตัวของอาหารหรือมองในก่อนที่จะมาเป็นอาหารเป็นต้นนั้นเคยกล่าวมาแล้วเราก็จะจะเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านั้นแต่บางครั้งก็ส่งให้มองในลักษณะรรวมก็เห็นสิ่งที่เป็นรูปประคันอาจจะไปดูอะไรก็ตาม ซึ่งไม่จำเป็นว่าต้องดูรูปของคนอื่นในรูปของเราบางครั้งอาจจะดูที่เสียงบางครั้งอาจจะดูที่กลิ่นบางครั้งอาจจะดูที่รสบางครั้งอาจจะดูที่ของซึ่งเราสัมผัสจับต้องและในสุดเราจะเห็นว่ามันมีการเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเสียงเกิดขึ้นแล้วก็หายไปกลิ่นเกิดขึ้นแล้วก็หายไปรสเกิดขึ้นแล้วก็หายไปแม้แต่สิ่งที่เราจับต้องก็เกิดขึ้นแล้วก็หายไปตำนองเดียวกัน แต่บางทีก็ส่งสอนให้มองในแง่เทียบเคียงจะมองชีวิตเหมือนกระยาดน้ําค้างที่ตกลงบนใบไม้ที่แน่นอนที่สุดก็คือต้องแห้งไปเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาส่วนจะแห้งไปเร็วหรือไปช้านั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ําที่จับเกาะอยู่ในจุดนั้นๆว่ามากหรือน้อยแต่จุดสุดท้ายคือเหมือนกันเพียงแต่ว่าช้าเร็วเท่านั้นเอง นั่นก็คือเรื่องของความไม่เที่ยงที่ให้ดูให้ชัดเจนทีก่อนเพราะเราก็เห็นได้ง่ายเราสัมผัสอยู่ได้ง่ายจะนั่ง น, น, นานตอนสบายสบายแล้วในสุดก็ปวดเมื่อยก็แสดงว่าความสบายนั้นเริ่มหายไปความปวดเมื่อยก็เกิดขึ้นมาแทนแต่พอเราเปลี่ยนนิรยบทความไม่เที่ยงในแง่ของความปวดปวดเมื่อยเมื่อยก็เริ่มปรากฏได้เห็นคือเริ่มจางลงไปและความสบายก็เกิดขึ้นมาแทนที่ ก็หมุนวนกันอยู่อย่างนี้บางทีก็ส่งมองให้เห็นในแง่ว่าโดยอุปมาเห็นว่าโดยรูปร่างกายของเรานั้นเหมือนกับฟองน้ำที่เกิดขึ้นและในที่สุดก็ต้องแตกไปพอพอไปกระทบอะไรข้าวแกก็เกิดขึ้นอีกแล้วก็ดับอีกแล้วกระทบอีกก็เกิดขึ้นอีกถ้ามองในชั้นของสังสารวัฏก็มีลักษณะอย่างนั้น มองในแง่ของความเกิดดับระดับวิปัสสนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันชีวิตจึงเป็นเรื่องที่สั้นประการเกิดขึ้นของฟองน้าบางทีใหญ่แต่ก็อยู่ไม่ได้นานบางทีเล็กแต่อาจจะอยู่ได้นานแต่ในที่สุดทุกอย่างก็ต้องแตกดับตัวเวทนานั้นเป็นตัวที่ออกจะดูง่ายเพราะว่าแม้ในขณะนั่งในขณะรับประทานอาหารในขณะยืนในขณะเดินก็ดูเวทนาเห็นได้ชัด เวทนาคือความสุขความทุกข์และความไม่ทุกข์ไม่สุขไอ้อไม่ทุกข์ไม่สุขบางทีแยกยากเราก็ดูเฉพาะทุกข์กับสุขเสียก่อนเราเห็นได้ชัดมากเจตนาการปวดเมื่อยที่เรียกว่าความไม่สบายกายไม่ต้องดูที่ความไม่สบายใจก็ได้ไม่สบายที่กายก่อนก็ได้เป็นความปวดความเมื่อยความเจ็บที่ปรากฏอยู่ที่กายแล้วก็ใจดูกําหนดที่ตัวเวทนาเหล่านั้นก็เห็นว่าเวทนาจริงๆแกก็ไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นลดลงทั้งส่วนสุขแล้วก็ส่วนทุก ข, ขกกก์ในขณะที่มีสุขทุกข์ก็ไม่ปรากฏในขณะที่มีสุขมีทุกข์สุขก็ไม่ปรากฏในขณะที่เป็นอทุทกกรรมสุขคือไม่สุขไม่ทุกข์ไอตัวสุขทุกข์ก็ไม่ปรากฏเด่นชัดออกมาธรรมะทรงจําแนกแสดงเวทนาโดยส่วนใหญ่ก็กลายเป็น3ประการอัรร่นสกัน เพราะว่าอาจจะเพ่งดูที่ตัวเวทนาในสุก็จะเห็นว่าเวทนาจริงๆมันก็ว่างมันก็ศูนย์ไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้เป็นไปาตามที่เราต้องการได้ซึ่งเป็นลักษณะของความว่างหรือความศูนย์ประการหนึ่งได้ทรงใช้บาลีว่าศูนย์อย่างศูนย์จะโตโล ก, กังเวกสุคือมองเป็นของศูนย์ศูนย์ก็เหมือนของที่หายไปมันของที่ไม่มีบางทีที่เราแปลว่าว่างว่างบางทีมันก็เข้าใจยากหน่อย เพราะว่าถ้าว่างแล้วก็ไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าดูศูนย์อาจจะมองอีกชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่นั้นส่วนใหญ่พระบาลีจริงๆท่านใช้คำว่าศูนย์ก็ไม่แปลว่าว่างการมองที่สัญญาบางครั้งก็ทรงสอนให้ดูที่สัญญาซึ่งเป็นเรื่องที่ดูง่ายเป็นกัน เราจะดูการฟังธรรมะหรือฟังดูที่ตัวความจําก็ได้จําเรื่องราวธรรมะจะเห็นได้ว่าที่พระเจ้าทรงจําแนกสแสดงคนฟังเทศไว้เป็นสามประเภทคือในยะหนึ่งก็ทรงจําแนกสแสดงเป็นสามประเภทดูมาเห็นว่าคนบางคนฟังแล้วเหมือนกับเอาของไว้ที่หน้าตักพอลุกขึ้นของก็วางตรงนั้นเนี่ย แต่ความว่าในขณะฟังใกล้ๆจะรู้เรื่องจะเข้าใจธรรมะได้ตลอดแต่พอออกจากที่ฟังทมก็ลืมไปหมดเลยนี่แสดงให้เห็นถึงว่าความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นนัตตาของสัญญาที่เกิดขึ้นแล้วเราดูได้ด้ยคนประเภทหนึ่งฟังเทศเหมือนของไว้บนตักวางไว้บนตักแต่พอลุกขึ้นของก็หล่น บางคนในความเทศบางครั้งหรือควาอะไรก็ตามคือสรุปว่าเรียนรู้ทางประสาสัมผัสแต่ในสุดสิ่งเหล่านั้นก็เลือนหายไปไม่สามารถที่จะนึกออกหรือจําทรงไว้ได้คนบางคนตรงอุปมาว่าเมื่อฟังเทศเหมือนกับเอาของใส่พกหรือพูดปัจจุบันอาจจะพูดใส่กระเป๋าไว้ก็ได้คือของนั้นอยู่ได้นานแต่แท้จริงไม่ใช่นานตลอดไป พระทรงมีรู้แต่ดำรัดจัดไว้อีกในยะหนึ่งว่าอสัจฉาวลามันตามนมีการไม่ท่องบุญเป็นมนทินเพราะฉั้นเรื่องราวทั้งหลายถ้าหากก็ไม่ได้ท่องไม่ได้สาธยายไม่ได้อ่านไม่ได้ทบทวนอยู่เสมอผมก็ลืมได้แม้จะอยู่ในกระเป๋าเราแล้วก็ตามเพราะ น, นี้ก็คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นของศูนย์แม้ของสัญญาพอมาถึงสังขารยิ่งดูได้ชัดมากดูในแนวไหนก็ได้ดูในแนว ความคิดที่เราเรียกว่าจิตตานุปัสนาจะมันเกิดขึ้นปรุงแต่งจิตเราจะเห็นว่าในส่วนจิตตานุปัสนานั้นทรงสอนให้ดูสองแนวไม่ได้สอนให้ดูทุกแนวเพราะว่าขณะสองแนวเราก็ดูไม่ค่อยทันอยู่แล้วเกิดูเฉพาะแนวที่เป็นกุศลกับกุศลซึ่งเกิดขึ้นในจิตขณะนั้นๆั้นจนทรงสอนว่าจิตมีราคา่คอยรู้ว่าจิตมีราคาจิตไม่มีราคาคอยรู้ว่าจิตไม่มีราคะแต่เราดูเฉพาะสองอย่างนี้ก็จะเห็นว่า แกไม่คงที่เลยจิตมีราคานั้นอาจจะเพิ่มขึ้นอาจจะลดลงจิตไม่มีราคาก็อาจจะเพิ่มขึ้น อ, อาจจะลดลงแล้ว จ, จะกลายเป็นราคาเรืยพูกที่เป็นราคาเองในช่วงหนึ่งก็อาจจะไม่มีราคาอะไนั่นก็คือเรื่องสังขารได้แก่สิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตของบุคคลที่ไม่คงที่และในที่สุดก็ เราอยากจะให้อยู่นานๆนนจะนั่งสมาธิจิตไม่มีสมาธิหรือจิตไม่จิตมีสมาธิกับไม่มีสมาธิเนี่ยเพราะจิตเกิดสงบเราอยากให้แกอยู่กับเรานานๆ น, น่แต่เราก็ไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาได้บางครั้งแม้จะได้เช่นพวกระดับข้าวชาติฮะมันก็คุมได้เฉพาะในช่วงอยู่ในชาติพอแยกชาตมันก็ไป ใจก็ไปสู่อารมณ์ต่างๆอาจจะสงบขึ้นกว่าเดิมท่านนั้นเองแต่จริงๆแต่วระแท้จริงแล้วแกก็รับอารมณ์ทางประสาทสัมผัสครบอีกั้งหประการมันก็พร้อมที่จะเกิดกำนัดกัดเคืองรุ่มหลงในอารมณ์ต่า ง, างๆเหล่านั้นได้อีกหรืออาจจะมองในแง่ของวิญญาณที่สรงอุปมาให้ดูเหมือนกับภาพเหมือนกับภาพมายาดูแล้วคล้ายจริง แต่ก็ไม่จริงแต่วาจะดูในแนวหยาบหยาบคือดูคนบางคนเนี่ยคนคุ้นๆเนะี่ยมันดีคุณคุณก็เปลี่ยนทรงผมก็เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแล้วก็งงๆก็รู้ว่าคนนั้นแต่ว่าเอาก็จริงมาเกิดเพียงครับคลายครับคลาเกิดไม่แน่ใจเกิดมองแล้วมองอีกนี่แสดงให้เห็นถึงว่าความเป็นคนนั้นความเป็นสิ่งนั้นความเป็นรูปเสียงปลิ่นรสปุถะละเหล่านั้น ที่เรารู้ทางประสาทสัมผัสจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับภาพมายาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นเสมอไปบางทีก็ดีขึ้นบางทีก็เสื่อมลงไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีก็ทรงสอนให้มองในแนวสรุปจะสรุปไปเลยว่าถ้าขาันห้ามันเป็นตัวเป็นตนหรือเกี่ยวเนื่องด้วยตนก็ตาม ก็น่าจะต้องเป็นไปตามที่เราต้องการจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธคือมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นต้นแต่เพราะขันห้ามันเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวใช่ตนหรือไม่เกี่ยวเนื่องด้วยตนก็น่าจึงเป็นไปเพื่ออาพาธสาตร์ทั้งหลายก็ไม่อาจจะตั้งความหวังว่าให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ตามที่ตนต้องการได้นี่ก็มองในจุดนั้นจะเราไม่สามารถบังคับบัญชาได้ไม่มีอะไรเป็นของของเราอย่างแท้จริงและในที่สุดของ ทั้งที่เรารู้สึกว่าเราและเกี่ยวเนื่องด้วยเราก็ต้องแตกดับต้องสูญไปนี่ก็คือกฎของความจริงที่บุคคลสามารถสัมผัสได้ให้ความสงบความเยือกเย็นแก่จิตใจได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นอุปนิสัยปัจจัยที่จะเข้าถึงความจริงที่แท้จริงสูงขึ้นโดยลําดับนั้นก็คือพบชาติปัประณีตขึ้นไปจนถึงก็หลุดพ้นจากพบชาติในที่สุดต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป